ในนามอัลลอฮฺข้าพเจ้าขออวยพรให้ทุกท่านที่รับชมและรับฟังทุก ل ่านที่รับชมและรับฟังทุกท่านที่รับชมและรบฟังทุกท่านที่รับชมและบฟังทุกท่านุี่ลับชมและรับฟังทุกท่านที่รับชมและรับฟังทุกท่านที่รับชมและรับฟังุกทานที่วับชมและรับฟังทุก่านที่รับชรัทุกท่านที่รับ่นรับชรับฟังทานทีรับชรักานที่ร้บชมรับฟังทกานี่รับชมังกานรับชมะรับฟังนรับ รายการหรือในเนื้อหาสาระนะครับที่ผ่านรายการวิญญาเสียงอิสลาม24ชั่วโมงนะครับก็ทำดุริละนะฮะก็สิ่งที่เราอยากแต่เน้นย้าแล้วก็บอกกล่าวกับพี่น้องนะครับว่ากุรานที่เราอ่านกันทุกอ่านที่เราศึกษาเราเรียนรู้กันนั้นคือวะยูที่ถูปกประทานให้กับท่านอาบับดุลอลลัลลอฮฺก็ะฮ์อิมัลสัลลัมตรงนี้ไม่ใช่ว่าเรารู้กันอยู่แล้วแล้วก็จบกันแต่วันนี้อยากจะ่เน้นย้ํานะครับว่า คุรานที่เป็นวะยูเนี่ยนะครับนะฮะคือธรรมนูญกุรานคือทางรอดกุรานคือทางนําของมวลมนุษยชาตินั่นหมายความว่าเราจะทิ้งคุรานเพียงแค่จะบอกว่าเป็นวะยูและจบกันไม่ได้กุรานเพียงเราจะบอกว่าเป็นกุรานที่เราต้องศรัทธาและจบกันไม่ใช่มันจะต้องมีภาคปฏิบัติที่จะต้องเกิดขึ้นว่าเราต้องนําอัลกุรานมา สู่การดําเนินชีวิตอย่างไรนั่นคือสิ่งหรือเป้าหมายที่เราอยากที่จะได้นําเรียนกับพี่น้องนะครับดังนั้นสิ่งที่เราทุกคนมีเหมือนกันนั่นก็คือการให้เวลาการอานัลกุรอานนะครับพยายามที่จะศึกษาอัลกรุรอานพยายามที่จะเรียนรู้อัลกรุรอานไม่ว่าจะรูปแบบใดนะฝึกเริ่มอ่านนะครับอ่านพยายามอ่านให้กล้องพยายามอ่านให้ได้พยายามท่องจําพยายามรู้ความหมายและพยายามเข้าใจในบริบท ต, ต่างๆ ครับแล้วเราก็จะเห็นแล้วเราก็จะประจักษ์นะครับว่ากุรานดำเนินชีวิตกุรานให้ให้ช่องทางในการใช้ชีวิตของเราอย่างไรนะครับครับพี่น้องครับเรายังอยู่ในสุราะอัลกอซัสนะครับวันนี้ต่อเนื่องในอายะที่18นะครับในอายะที่18นะครับเท่าความในตอนที่แล้วนะครับที่อัลลอ์สุบฮานะฮัวตาลาได้บอกให้เราได้รู้ถึงสิ่งที่นบีมูซาอัลัยฮิสาลามนะครับได้ขอหลังจากที่ ได้พังมือนะครับสังหาร <c oughs> คนหรือทหารนะของเรา์นะครับด้วยผมไม่ได้ตั้งใจจึงได้ขอรุกโทษจากอลอสซุพานหัวตาลาและยังได้ขอว่าอย่าได้ให้เขานั้นได้เป็นผู้หนึ่งอย่าให้ท่านนั้นได้เป็นผู้หนึ่งที่เป็นเครื่องมือหรือการสนับสนุนในการทำไม่ดีหรือคน ที่ทำผิดทำชั่วทั้งหลายด้วยนะครับนั่นก็เป็นดูอาหรือกรารขอที่เขาเรียกรอบครอบและรัดคุมนะครับนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาใช้ในชีวิตของเราได้เช่นเดียวกันนะครับว่าความผิดพลาดหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันอาจจะเกิดด้วยความเผลอเรอ่อไ ม, ไม่ไม่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับหรือยัง ไม่เข้าใจอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่ี่เราขอเพิ่มเติมก็คืออย่าให้หลังจากที่เรากลับตัวกลับใจหลังจากที่เราได้รู้ถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นขอให้โทษต่อวอลซุพาตลาและขอให้ปกป้องให้เรานั้นให้รอดพน้นและก็อย่าให้ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้อีกนะครับนะต่อมานะครับเ <c oughs> นี่ยแนถัดไปที่บอกว่าฟาสบฟิลมาดีนี่ฟยตรกบเมื่อเรื่องราวนี้มันจบลง จบตรงนี้ความหมายก็คือว่าก็แยกย้ายโดยที่ไม่ได้ร้องเรียนหรือเอาความแต่อย่างใดแต่อย่างลืมนะครับว่าคนตายหนึ่งคนและเป็นคนของเฟลเอาด้วยเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องเล็กแต่ด้วยกับการที่ในณวินะตอนนั้นเนี่ยนะครับวินาทีนั้นนั่นก็คือว่าทุกคนก็อยู่ในในที่พักของตัวเองนะครับไม่มีใครมาเดินออกเพ่นผ่านนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนในยามยามสายยามบ่ายอย่างนี้ นะครับก็มีนคสองคนที่ขึ้นมาแล้วก็ทะเลาะกันนะครับจนกระทั่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะหลังจากนั้นแล้วเมื่อแยกย้ายแล้วก็ทุกอย่างมันก็อยู่ในวังวนของการระวัดระแวงนะครับว่าจะมีคำฟ้องร้องขึ้นไปหรือเปล่าจะมีใครเห็นหรือไม่หรื อ, เ, อ, อเรื่องนี้จะไปถึงหูของเฟรเอาหรือเปล่านะครับนั่นเป็นการกังวลที่เกิดขึ้นนะครับดงนั้นดามีมูซาอเลสราเมื่อเดินในเมืองนะครับก็มีความรู้สึกวันวันกลัวกลัว นะครับแล้วก็รงระวังซ้ายระวังขวาว่าจะมีใครที่นำข่าวไปบอกหรือจะมีใครทหารท่านใดคนไหนที่จะวิ่งมาแล้วล็อกตัวนะครับทั้งหมดเหล่านี้คือเป็นความกังวลนะที่เกิดขึ้นนะครับไฟดัลลัซิสันซาราูบิลอัมซิอัสต์สริคุเดินในเมืองชมหรือเดินเที่ยวในเมืองนะไปเรื่อยๆก็ท่านใดนั่นเองก็ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือ มีเสียงของความช่วยเหลือมานะครับจากใครครับจากบุคคลที่เขาเคยช่วยเมื่อวานนี้พูดง่ายๆว่าคนเดิมเมื่อวานทะเลาะกับทหารคนหนึ่งและทหารคนนั้นก็ตายไปแล้วนะนะฮะมาวันนี้เจออีกแล้วคนเดิมเหมือนกันมาทะเลาะกับทหารฐานคนใหม่นะครับน บ, บีมูซาะอะลีสลาเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วจึงประเมินสถานการณ์ได้เลยเบื้องต้นบอกว่า นบีบอกกอลละหูมูซา uh ท่านนาบีมูซาอะเลอิสลามจึงได้กล่าวกับชายผู้นี้ว่าอินน um ักการละบาวิยุมโมบินแท้จริงท่านเนี่ยเป็นผู้ที่หลงผิดอย่างชัดเจนนะฮพูดง่ายๆว่าเจอใครก็ทะเลาะคนดีใครก็ทะเลาะกันทุกวันคนดีใครก็ทะเลาะคนกับคนไปทั่วเลยนะครับที่เรามื่จะได้ยินว่าอะไรนะเมื่อวาน นะ่ยเมื่อวานเราทะเลาะกับเพื่อนนะวันนี้เพื่อนมาทะเลาะกับเรานะเพื่อนคนอื่นนะแล้วก็พรุ่งนี้ตั้งใจวันทะเลาะกับพันลงนั่นหมาความว่าเราเป็นผู้ที่กลางหรือก็มีปัญหาไปทั่วเลยนะครับเนะี่ท่านนาบีมูซาจึงได้กล่าวนะว่าแสดงว่าไม่ใช่ล้วนะเพราะอย่าลืมนะครับว่า ด้วยกับพฤติกรรมด้วยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตจนถึงเหตุการณ์นี่นะครับก็คือทหารของเฟร์ร์เอาลนะบุคคลที่อยู่ในเผ่ากิปตี้หรือเป็นเผ่าเดียวกับเฟร์์เอาล์ก็กลั่งนะครับคิดว่าเราเนะี่ยก็คือถ้าบ้านเราก็เรียกว่าเป็นพวกนะเป็นคนนามสกุลเดียวกันนะทําอะไรก็ได้เพราะถึงเวลาอะไรก็บอกว่าไม่ยอมให้เสียเกียรติไงนะฮะคนใหญ่คนโตในใน <c oughs> ในเผ่าก็ไม่ยอมให้ เ, เสียชื่อของเผ่าตัวเองนะส่วนจะไปจัด ก, การกันเองกันยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่ยอมให้เผ่าอื่น <c oughs> นะมาดูถูกม า, าทําอะไรทำนี่ อ, อะไรกับเผ่าตัวเองไม่ได้ยอมไม่ได้นะครับนี่เป็นเรื่องที่มันมันสะสมมานานๆจนกระทั่งมันาถึงเหตุการณ์แต่อย่างไรก็ตามนะครับคนคนนี้ที่นบีมูซาเคยช่วยไว้ก่อนเนี่ยนะครับก็ <c oughs> มีปัญหากับอีกคน ถัดไปนะนบีมูซาจึงได้ได้รู้ทันทีเลยครับว่าคนนี้ไม่ใช่ละแสดงว่าต้องพิจารณาตัวเองแล้วครับว่าว่าคนนี้ที่ทะเลาะกับเขาไปทั่วหมดคนนี้ไปต่อคนนั้นหมดคนนั้นไปต่อคนนี้นะในในในช่วงของการน่าจะต้องสํานึกว่าเออเราต้องไม่มีเรื่องเราต้องไม่ไม่ไปทําอะไรกับใครเราจะต้องพยายามระมัดระวังตัวเองประมาณนี้นะครับแต่กับคนละเรื่องในขณะที่เรื่องของการ ได้ชกแล้วก็ทหารของเฟีร์เอาคนหนึ่งได้เสียชีวิตนี้ยังไม่ได้คือกระแสพวกนี้ยังมีอยู่นี่สร้างเรื่องอีกแล้วนะครับต่อมาครับฟาลา ม, มาอันอรอดอัยยะบติชาบิลละดีหัวอัลดุลละหุมาและเมื่อนบีมูซานั้นต้องการที่จะไปปราบผู้ที่เป็นศัตรูก็คือพูดง่ายว่า ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ก็ไม่อยากให้ให้เผ่ากิปตี้หรือทหารของเฟร็ดเอานั้นมามาดูถูกมาเหยียดย้ำหรือแม้กระทั่งมาทําร้ายทําลายหรือทําร้ายคนบันิอิสรอเอลนี่จึงหวังจึงต้องการที่ไปปราบรามนีจะเป็นด้วยคําพูดหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะต้องการที่จะไปนีต่อมาครก็อะไรก็อะไรมูซาอัตุรีดอันตักทุลันี่ก็มากระันตันั่งสัมบิลอัมสแต่พี่น้องครับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนะคนที่นบีมูซาช่วยไว้เมื่อวานนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยนะในคุรานบอกว่าเมื่อวานเนี่ยก้ความหมายคือครั้งที่แล้ว <c oughs> นะคนนี้ก็ทําไมครับเห็นนบีมูซาเดินเข้ามาเนี่ยซึ่งไม่ยังไ ม, <c oughs> ไม่รู้ว่านาบีมูซานี่จะจะช่วยนะหรือจะปราบทหารของเฟร์เลว นะเหมือนครั้งที่แล้วนะครับแต่เพราะคําพูดก่อนหน้านี้จึงหวั่นลึกๆกลัวกลัวว่าเดี๋ยวเรามีมูซาชกเราแน่เลยแล้วคงจะต้องชกเราเหมือนเมื่อวานครั้งที่แล้วเลยแล้วก็เราต้องเสียชีวิตแน่ๆจึงได้บอกว่าโอ้มูซาเอา๋ยท่านต้องการฆ่าฉันเหมือนได้ฆ่าคนเมื่อวานนี้กันนั่ น, หน <c oughs> เห็นไหมเป็นการหวัดกลัวด้วยความผิดพลาดที่ตัวเองทําขึ้นและก็ ความลับที่เก็บไว้ก็เผยออกมาด้วยความทะเล็กเอาตัวรอบทหารที่คนที่สองที่มาทะเลาะกับคนเนี้ยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เวลาคนนี้เผยความลับมานั้นทําให้ทหารจึงรู้โ อ, อ้การตายของทหารเมื่อวันก่อนนั้นไม่ใช่ใครอื่นใดเลยก็คือนบีมูซาร์หรือสลักซึ่งเป็นลูปบุญธรรมของเฟีรเอาล์ก็เหตุ น, นี้แหละครับเป็นเหตุที่ทําให้ข่าว ที่เคยปิดไว้เก็บเอาไว้มันผุดขึ้นมานะอินทรีดอินทร์ตะกูลอับบาโฟิลแถมยังต้องพูดต่ออีกนะไม่ได้หยุดแค่นั้นนะความกลัวทวีคูณนะความกลัวก็เรียกว่าไม่ยับยั้งอะไรแล้วนะไม่คำนึงแล้วพูดอะไรออกไปความลับที่เก็บไว้อะไรทั้งหมดเหล่านี้เปล่าเลยครับพูดออกมาอีกครับว่า อินตุรีดูอินลาอันตะกูแท้จริงท่านเนี่ยต้องการไม่ได้อะไรหรอกท่านต้องการนอกเสียจากเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่บนหน้าแผ่นดินนี้ต้องการเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่อาหังกาบนหน้าแผ่นดินนี้หัวมาตุรีดูอันตะกูดัมินนตมุสลิมและท่านไม่ต้องการที่จะได้ปองดองและปานีปานอมต่อกันและกันซึ่งกันและกันโอ้โหพูดดักคอไว้หมดเลจึงทําให้เนี่ยเหตุการณ์มันเริ่มขลัก วันวัยเริ่มมาคุ่แล้วทำไมล่ะครับเพราะทหารของเฟดเอายังยืนอยู่ยังอยู่ที่ในในเหตุการณ์และสิ่งนี้พูดขึ้นมาก็ไม่ไม่ต้องสอบสวนอะไรแล้ว <c oughs> มันเป็นการยืนยันมันเป็นการบอกให้รู้ว่าเหตุการณ์ครั้ง ท, งทีแล้วเนี่ยชายคนนี้แหละบรรันิอิสาเน์คนนี้ที่ทะเลาะกับทหารที่เสียชีวิตไว้เนี่ยและสุดท้ายมาทะเลาะกับทหารอีกคนหนึ่ง หลังจากนั้นเนี่ยด้วยเหตุการณ์เดดอะไรก็ไม่ทราบเลยและนบีมูซาก็ตำหนิไปว่าท่านนะเป็นผู้ที่หลงผิดนะแต่เวลาจะมาช่วยเนี่ยหรือคิดจะจะช่วยก็คือแน่นอน ก, ก็ก็ต้องช่วยนะคนเผ่าเดียวกันก่อนนะคนตระกูลเดียวกันก่อนเพื่อจะได้กลับมาแล้วก็มามาตั้งริมามาเาเรียกอบรมแต่ทำไมครับด้วยเขาเรียก วัวสารลังหวะเนี่ยนะกลัวเพราะพฤติกรรมของตัวเองเพราะการกระทำของตัวเองบวกกับที่นบีมูซาอะลีลามได้กล่าวตำหนิไปก็คิดว่านาบีมูซาจะเดินมาชกตัวเองนในขณะที่นบีมูซาตั้งใจจะปราบหรือจะไปจะะขจัดทหารของเฟร์เราเห็นความเข้าใจไม่ได้พูดนะความเข้าใจมันเกิดขึ้นจึงได้เผยหรือพูดความลับอันนี้ออกมาทาให้ทหารของเฟร์คนที่สองเนี่ย นะได้รู้ถึงความเป็นจริงถึงสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะและยังได้พูดถึงตำหนิเชิงตำหนิที่บอกว่ามาตัวดีดูอันตะกูนะมินัลมุสลิฮินว่าแท้จริงท่านก็ไม่ได้ต้องการอื่นใดนอกเสียจากเป็นผู้ที่ทำดีทั้งหลายนะครับต่อมานะครับ <c oughs> ในอายะห์ถัดไปอัลลอฮซุบฮานตาลาได้เล่าให้เราฟังถึงเหตุการณ์ทีละเรื่องว่านบีมูซ่าเจออะไรมาบ้างเป็นอย่างไรบ้างทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีมีข้อคิดล้วนแล้วแ่มีช่องทางให้เรานั้นได้ศึกษาเพื่อมาม า, ม า, ม, ามาใช้หรือมาประยุกใช้หรือมองเห็นถึงสถานการณ์อย่างนั้นได้นะครับที่บอกว่าวาเจาะรัลยลุมมินอักเซลมารีนติยาสามีชายคนหนึ่งนะครับมาจาก เร่งรีบจากชาญเมืองมาบอกบอกใครล่ะครับบอกนบีมูซาข่าวมันหลุดลอกออกไปด้วยอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็มีชายคนหนึ่งนะครับที่เดินทางเข้ามานะครับมาบอกนบีมูซาว่าไงครับยามูซาอินนัลมาลายะตมเรูนบิกะโอ้มูซาเอยแท้จริงหัวหน้าผู้นําที่ปรึกษาระดับสูงเนี่ยของเฟิร์ลเอาเนี่ยนะได้สั่งแล้ว หมายถึงเรื่องราวที่ท่านไปทำอะไรต่อเม่อะไรเนี่ยที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยได้มีคำสั่งหรือได้มีการพิจารณาไหมแล้วให้สั่งการลงไปเพื่อที่จะฆ่าท่านนะดังนั้นจงออกจากเมือง น, นี้ไปจงออกออกไปในะอินนีและกามินันนาสินแท้จริงฉันเป็นผู้ที่ตักเตือนท่านนะด้วยความหวังดีนะครับ ข้อหมายนั่นก็คืออะไรครับเรื่องราวที่ที่มันเกิดระหว่างบนันิอิสราอีนหนึ่งคนกับชาวคิปตี้นะคนแรกก่อนที่เสียชีวิตคือคนแรกที่มีปัญหากันที่มีทะเลาะเบาแวงกันสุดท้ายนาบีมูซาก็ต้องการแค่ชกเฉยๆต้องการแค่ปราบปรามเฉยๆแต่สุดท้ายพลาดทั้งไปนะครับทำให้ ทหารท่านนี้เสียชีวิตนะครับและแน่นอนครับเมื่อสอบถามไปไม่รู้ใครทำหาข้อมูลการสืบการสอบหาไม่รู้ว่าใครทำจนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์ที่สองทหารที่ทะเลาะกับคนเดิมเนี่ยนะนจึงได้รู้เพราะอันนี้เขาเรียกปากไวเป็นนิ่กลัวคิดเองเออเองว่านาบิวุซาเดินมาเนี่ยคิดว่าน่าจะทำร้ายเขา ในขณะที่นบีมูซาตั้งใจจะไปปราบปรามาฐานของเฟรโรเพราะไมต่ต้องการที่จะบอกว่าอย่าอย่าอาหางกายอย่ามาทำร้ายหรืออย่ามาแกล้งนะฮะ บ, บันิอิสราอิลแต่ครั้งที่เมื่อทุกอย่างเปิดถูกเปิดโปงต่อหน้าทาหารเนี่ยมันจึงทำให้ขาข่าวหรือความลับอันนี้ล่วนไหล และก็เป็นที่เก่าขานไปทั่วนะครับทหารก็แน่นอนครับได้เก็บความลับนำความลับอันนี้ไปบอกกับเฟลเอาเพื่อที่จะหวังได้รับในเรื่องของรางวัลการตอบแทนที่นำข่าวอันสำคัญมาบอกนะและแล้วนะครับมันก็เป็นไปตามทีเ่เราได้ทราบกันดีอยู่นะครับว่าสุดท้ายนะมีชายคนหนึ่งนะได้ได้ไกล่าวนะครับที่บอกว่ายามูเซ โอโมซาอินนัลมาลายาตมิรุนาบิกาโอโมซาแท้จริงผู้ผู้นำหรือองค์ประชุมหรือผู้หลผู้ใหญ่นะที่ปรึกษาระดับสูงะอะไรก็แล้วแต่นะครับได้สั่งใช้เมื่อเราได้มีมาตรการเพื่อที่จะฆ่าท่านจงออกจากเมืองซะแท้จริงฉันเตือนท่า น, นและหวังดีแก่ท่านนะครับแน่นอนนะครับ สถานการณ์มันพาไปจริงทำให้รู้ว่ามันอยู่ไม่ได้จริงๆน ะ, ะถ้าอยู่ต้องโดนจับและถ้าโดนจับมีอย่างเดียวแหะครับคือประหารชีวิตนะฝ่าข้ราจการข้าอิฟังยตรกะกะบุและแน่นอนนะครับนบีมุสาจึงได้รับคำตักเตือนคำแนะนำของชายผู้นี้นะฮะจึงได้ออกเดินทางออกจากเมืองด้วยสภาพอันหวาดกลัวอ่าออกจากเมืองด้วยด้วย มีความรู้สึกนะว่าเขาจะตามมาไหมนะครับแล้วเราเดินทางจะรอดพ้นจากอํานาจเงื่มมือของพวกเขาหรือไม่นะครับก็เลยบอกว่าสคาราจะมินหาคอฟเฟยะตรักะบุแต่อย่าลืมพี่น้องครับไม่ว่าจะทนไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรอย่างไรพี่น้องมาดูนะครับว่าอัลลอฮ์ได้บอกกับเราถึงว่าสิ่งที่ท่านนาบีมูซาอเิสลัก ขอวิงวอนทุกขั้นตอนเลยนะไม่ใช่เรื่องนี้อย่างทุกขั้นตอนเลยจะเห็นว่ า, มาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะสิ่งสําคัญอย่างยิ่งนะัก็คือเราจะต้องวิงวอนขอต่อรอดสุภตัตตาล่ะอย่างเขาเรียกขาดไม่ได้นะครับขาดไม่ได้เลย น, ะนายบิมุสาจึงได้บอกว่ากอลารอบบีน in ัตจีนีมินาเกิลมิโซลีมินโอ้พระวันของเราโอพระวันของฉันโปรดปก ป้องฉันให้พ้นจากประชาชาติที่ซาลิมด้วยเถิดนี่ไงนะขอดุอาของบรรดารอซูนเนี่ยอัลลอฮ์ Allah ตอบรับและแล้วอเลาก็รับดุอาของนบีมูซ า, น, านั้นการปลอดภัยการหลุดพ้นจากกลุ่มชนที่ซาลิมนะอุทินี่ได้นะครับการปฏิบัตินะการออกห่างการหนีห่าง จากสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอันนี้ก็ใช่นะครับดังนั้นนี่คือดูอาที่นบีมูซาขอให้รอดพ้นจากประชาชาิและกลุ่มชนที่จอล์เลนทั้งหลายนะครับแล้วก็แล้แลเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับนี่เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ Allah กล่าวไว้เพื่อให้เราได้มุมมองข้อคิดว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวในครั้งต่อไปเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับสลมวาระคุ้มบาระมัตุลลอฮฺหัวบรากาตุ